ฟังทมกันต่อไปอีกนะหลังจากการสาธยายธรรมวัดจบลงขณะ น, นี้เวลานี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติธรรมก็คือทำกรรมฐานที่ตั้งของการกระทำไม่มีที่ตั้งให้มีการกระทำ ลงไปจริงๆมีจิตใจเป็นกายก็ให้มีจิตใจเป็นกายวิธีใดที่จะรู้จักตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต้งากระทำอย่างนั้นต่พรุทธเจ้าบอกสอนไว้ก็ให้มีจิตใจเป็นกายเป็นประจํานั่งคู่เขียนเข้า เกีดนรอกให้รูปสักตัวต้องประกอบขึ้นมาจริงๆไมาใช่วาจิตให้รูปูแล้วหรือว่าสร้างรูปแบบทำเป็นแล้วนั่นไม่ใช่ปฏิบัติตัวปฏิบัติจริงๆคืออะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติให้มีสติเปลี่ยนซะเปลี่ยนอันอื่นเป็นสติไปก่อน เห็นกายจว่ากายคือสตินั่นแหละ <c oughs> อะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายอะไรที่เกิดขึ้นกับจิตใจให้รู้จักตัว่าหาคำตอบจากความคิดให้ความรู้จักตัวเป็นตัวเฉลยไปก่อนใรู้จักตัว มันไม่ใช่เล่นงเลวร้อยได้หัดกายหัดจิตแล้วมันสุขก็รู้จักตัวมันทุกข์ก็รู้จักตัวมันผิดก็รู้จักตัวมันถูกก็รู้จักตัวมันงสงบก็รู้จักตัวมันพุ่งชาานก็รู้จักตัวมันรอดมันหนาวก็รู้จักตัวมันหิวมันปวดมันเมื่อยก็รู้จักตัว านี้ ว, ว่าสติปัฏฐานเป็นครูสอนกายสอนใจยาปล่อยกายปล่อยใจทิ้งคิดอะไรก็ได้มันใช่อย่างนั้นคิดต้องตั้งใจคิดอันที่ไม่ตั้งใจคิดมันก็มาก เมันเคยใช้ความคิดมาเลอะเทอะไปหมดแล้วเราก็หาคาตอบจากความคิดรู้จังนั้นแต่ความรู้ยังช่วยไม่ได้รู้ดีรู้ชั่วจากความคิดเหตุผลหรือติสราเดียนมาก็ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจอาจจะเป็นความรู้ออกไปข้างนอก ทำอะไรเป็นครูสอนกายสอนใจไม่ใช่ครูสอนแบบพละแบบเพื่หัดสอนเล่นกิฬาสอนเล่นวุบอลสอนตีมวยสอนศาสตรสอนศิลปะต่างๆแต่นนไม่ใช่ครูแบบนั้น ครูที่เป็นความรู้จักตัวตัวเองต้องประกอบขึ้นมาเองจึงกกำหนดให้มีการคู่แขนเข้าขกานเหยียดแขนออกรู้จักตัวนี่คือครูของกายตาไก่ตัวาารู้จักตัวใจรู้จักตัวเวลาใดที่มาใช่ความรู้จักตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม จะดีต่อเมื่อว่รู้สึกตัวมันคิดไปก็รู้สึกตัวเนี่ยไปสอนแล้วคือความรู้สึกตัวเต็มพื้นที่ไปหมดเป็นหน้าโลกไปหมดเมื่อมีสติรู้สึกตัวก็อยู่โดยชอบได้ความรู้สึกตัวที่ตั้งไว้ในกายในใจนี้มันยิ่งใหญ่ เป็นศาสตร์เป็นฉินเหมือนกันผมรู้จักตัวนี่ก็ละความชั่วแล้วผมรู้จักตัวก็ทำความดีแล้วผมรู้จักตัวี้ในจิตก็บริสุทธิ์แล้วเป็นฉินแล้วเป็นสมาธิแล้วเป็นปัญญาแล้วผมรู้จักตัวเนี่เป็นมารดาของความดี เหมือนพ่อเหมือนแม่ของกายของกิตอันพ่อแม่แล้ก็ม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาถ้าอยู่กับเราท่านก็บอกก็สอนเมื่อเวลาท่านเห็นท่านได้ยินอันนี้ก็มาค่อยๆได้อยู่กับพ่อกับแม่ตลอดทุกชัว่วโมงทุกนาทีการอิจติภายในกาย สามวิชากรรมาฐานสร้างจังหวะชิบซีจังหวะรู้ทุกจังหวะวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งนี่คือรู้ทุกวินาทีมันก็ไม่มีโอกาสผิดได้เมื่อไม่มีโอกาสผิดทั้งกายทั้งใจของก็งอกงามขึ้นมาเกิดอะไขึ้นมากมาย ได้ความรู้จอกความหลงได้ความรู้จากความทุกข์ด้วยความรู้จากความโกรธได้ความรู้จก า, คาจกความผิดมีปัญญาเพราะมีปัญหาอันนี้เรือววิชากรรมฐานเราเกิดวิปัสสนาลู่แจ้งขึ้นมาตอบเองได้เองไม่ต้องมีคําถาม ก็ได้เห็นพบเห็นมันเป็นการพบเห็นเมื่อพบเห็นก็ตอบได้ไม่ได้ปล่อยการปล่อยทิ้งแต่ก่อนไมปล่อยทิ้งหุดตุ้นคุยคิดในลมที่คุณคิดก็อยากคิดนั่นก็คิด <c oughs> ห้ามกวคิดก็มาอยู่ห้ามความคิดไม่เป็นกลางคืนเป็นควากลางวันเป็นเปรว ปองขึ้นก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดความทุกความสุขก็จากความคิดมีมากออกชีวิตไปห้อยไปแฉะไว้กับความคิดคิดในสุขก็สุขคิดในทุกข์ก็ทุกข์คิดในโกรธก็โกรธคิดในเกิดก็เกิดต้นหาหลาคาก็เกิดขึ้นในทุกอย่างวันหลงหลงที่กิดอีหลงมากที่สุด เวลาเรามาฝึกกรรมาฐานจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้หลังยกมือช่างจะวาดสิ่งต่างหอาจะหลงไปถึงครึ่งหนึ่งก็ได้เดินอยู่ชั่อโมงหนึ่งอาจจะสี่รอยข้างห้ารอยข้างหรือห้าหนึ่งพันข้างห้าพันข้างห้าพันเก้าอาจจะหมารู้ทุกเก้าเพาะไม่เคยฝึก แล้วก็มักจะไเอาผิดเอาถูกเวลาบางทุกก็ทุกไปเลยเดินทางเมื่อยล้าก็เป็นผู้เมื่อยผู้ล้าไปเลยให้ความล้าความเมื่อยเป็นตัวสังกัดที่เกียจที่ข้านเระความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่เกียจที่ข้านเระความร้อนความหนาวที่เกียดที่ข้า น, รา น, านาเานระความหิวความอ่อนแร ก็เลยทำอะไรไม่ค่อยสําเร็จเอาจากงับวิจากรรมฐานนี่จะได้เห็นจริงเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาจะได้รู้มันมันมาใช่ตัวใช่ตนเราเสียเวลาเสียเปียกความทุกข์เราเสียเปรียกความโกรธเราเสียเปรียคกวยยความหลงมาช่ยกายช่วยใจให้เราทำผิดได้ทแต่ละตัวยังเหลือร้อน ต้องใคนอื่นเดดร้อนเพราะความหลงที่เกิดจากกาจากใจะมันมีโลกที่ทำให้เกิดความหลงมีอายตนะภายนอกมีอายตนะภายในตาก็มีรูปเป็นคู่หูกมงเสียงเป็นคู่จะบูกิ่นร้ายใจมีคู่ทั้งนั้น แล้วก็เกิดความพอใจและความไม่พอใจได้เราพิทธเจาจึงสอนว่ากายก็จักววาลกายไม่ใช่จัตุปกรณตัวตนเราเขาถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาให้รู้จักตัวซะอย่าใช่กายเพื่อความพอใจอย่าใช่กายให้เกิดความไม่พอใจ อย่าใช้ใจิตใจให้เกิดความพอใจอย่าใช่ห้กิดใจไม่เกิดความไม่พอใจให้เกิดความล้อความช่องอย่าใช้ใจอย่างนั้นมันพิดต้องถอนลงมารููจากตัวสอนลองดูซิมันจะเกิดไหลขึ้นมาสอนใจลองดูมีสติท่านั้นที่เป็นครูสอนใจเห็นมันชิดก็เห็นความชิดคนอื่นไม่เห็น ตาไหนอันตาน้าโลบไม่มีตาหน้าโลบลู่รอบรอบจะได้ปลอดภัยจะได้ไม่มีภัยอัดใ จ, จให้รู่ไว้ไวๆมาไว้ไว้ใความรู้จักตัวนี้มาไว้ไๆบางทีอันเด่นจะมาก่อนถ้าไม่มีความรู้จักตัว ดูสิ่งที่ขวงกันมีเยอะแยะหนึ่งคว่ำง่วงเหงาหงอนอนเวลามีสอิฝึกสติจะเกิดคว่ำง่วงเหงาหงอนอนคำดอบหนึ่งผู้ขารู้ได้กกันจิตให้บรรลุความความดีผมก็ชิดพุ่งซ่อนเวลาก็มันฟุ้งมากเวลาเราฝึกหัด มันแสดงเป็นการต่อสู้เหมือนปลา ท, ที่ถูกเหย่มันก็ดิ้นหางทางออกมันปิดขัดจิตใจก็เหมือนกันกายใจก็เหมือนกันพะมันเคยไหลมันจะหยุดมันก็หยุดยากเหมือนน้ำที่เคยไหล เวลาเอาของและของกันเด็กน้อยๆมันก็หาทางออก <c oughs> เวลาอเราเป็นเด็กน้อยเล่นอยู่ถนนถนทางสมัยก่อนเวลาฝนตกน้มไหลพักมาทำคันคูขวงน้ำลินซไยมันก็ไหลไปขวางกาันเองก็ไหลไป น้ำ ม, มากก็ไหลามากน้ำน้อยก็หลน้อยถ้าชิงขวางกันไม่แข็งแรงเพียงพอความเจริญเฉยนี่ขาลู่เฉยทีเราค้างเราค้างมันก็จะมากลู่ขึ้นเป็นมหาลู่ขึ้นความลู่จฉยตัวไม่หนีไปไหนเคยกินแล้วเป็นนิสัยบ้างแล้วก็จะลู่ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจก็ได้ทลับเป็น เหมือนเราเที่งเน้นสอบซายใส่ทางน้ําที่มันไหลน้ำท่วมกรุงเทพเมันขาดตน้นไหนก็สอบซายรัฐบช่วยกัน <c oughs> โยนลงไปโยนลงไปแม่ไม่เห็นก็ทิ่งโยนลงไปโยนลงไปไหลไหลสอบมันก็สูงขึ้นมามีกําลังขึ้นมามันกักนจิต จติเป็นสินงกั้นจิตที่มันการกิเลสเป็นขวงกันกิเลสความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นได้เราจึงมาสร้างประกอบขึ้นมาอุทานสมบูดาทั้งความด้วยความมัน่นศรัทธามี่ศรัทธามีความเพียรความเพียรคือความขยันภาวนาคือขยันลูกขยันลูก กรรมาฐานเคยที่ตั้งตั้งแล้วก็ต้องขยันรู้เรียกว่าภาวนาขยันรู้จักตัวขยันรู้จักตัวะอะไรก็รู้จักตัวหมดเรียกว่าภาวนาเมื่อขยันรู้ก็ชำนาญในความรู้ที่มีในกายในจิตแล้วก็เป็นวิปัสสนาเกีนยวกัรู้แจ้งรู้แจ้งในะจึงที่เห็น ในความผิดก็รู้แจ้งในความถูกก็รู้แจ้งในความสุขความทุกข์ก็รู้แจ้งก็สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดไปหลอกเราไม่ได้หลอกไปได้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไม่อยู่ข้างหน้าเอาไว้หลังแล้วความสุขไว้หลังแล้วความทุกข์ไว้หลังแล้ว อย่างนี้เราว่าผ่านไปหรอว่าไปคือมีสติดูไปจากข้าสึกเาว่าลู้เนี่หนีจากข้าศึกหอเรามักขึ้นดูเนี่อะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นเนี่ยผ่านไปแล้วเอาไว้หลังเี่ว่ามักเปนว่าหุนทางทางเดินของ ชีวิตไปสู่ความดีได้ชีวิตเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็เหนือการเกิดเ จ, จ็จ็ตายเวลาเราไมเปึกก็ทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธเมื่อหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธก็กิกจะเจ็ตายพอใจไม่พอใจนี่กิดเ จ, จ็จ็ตายเมื่อพอใจก็โชค เมื่อชอบความไม่อุปาทานนิดว่าตัวเองบางท่านเป็ไม่ใช่ความเทควาไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงัางทัทงญญ น, นาางีมันไม่เที่ยงถ้าเห็นแจ้งมันก็ไป่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงได้ปัญญาอันนี้เซกาถาลงใบมันไม่เที่ยงเห็นอะไรมันเห็น ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเมื่อลอยก็อรูจ้ำนานเวลาอเป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อาความทุกข์มาเป็นทุกข์ก็เห็นความทุกข์เป็นความทุกข์จะให้มันจุกมันไปช่คือความทุกข์ก่รูแล้วไม่เป็นทุกข์ความทุกข์วมไม่ใช่ตัวตน ก็รู้ไม่เอาความทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนมันก็ผ่านไปได้หลุดไปได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นจิตเหล่านี้ก็เป็นปัญญาเหมือนพระสูตรพระพเจ้าตัดไว้เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารลังปวงไม่เที่ยง เมื่อนั่นย่อมหน่อยๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานพระนิพพานไปทางนี้เพราะอะไรทำเองไมาให้ความไปเที่ยงเป็นทุกข์ให้ความไม่เที่ยงเป็นรู้ทางไปสู่พระนิพพานอยู่ที่การปฏิบัติลงไปที่สิ่งที่ผิดที่ไม่เป็นสิ่งที่รู้สิงที่ผิดนั่น เมืใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั่นยอน่อมในในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนพานไปแบบนี้โหเหลือเกินถ้าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนน้อยหย่างแข็มแฉ่ ง, งก็เกิดวิปัจนาได้ ทะลุทะลวงไปเล้วหลายอย่างส่วนมากก็เป็นทุกข์ปรความไม่เที่ยงส่วนทุกข์ปรความเป็นทุกข์เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนรูปก็เป็นทุกข์เทวทนาก็เป็นทุกข์สัวนยาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจึงใด้เป็นทุกข์สิ่งไดไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรานี่มันจะเกิดวิปัสสนาจากนี้แล้วก็จะเข้าจูมักถูผลได้เึ้นมาขึ้นมาได้ผลขึ้นมา กรรมฐานนั้นได้ผลแบบนี้ไม่เหมือนการทำนาได้ผลคือข้าวปลูกผักได้ผลคือผักเอาไว้กินแล้วก็ยังเจ็เก็บตายเป็นทุกข์แต่ว่ากรรมฐ า, ามนนี้ได้ผลคือวิปัสสนาเป็นมากเป็นหนเหนือยเกิดเจ็เจ็บตายไม่มีใครเป็นทุกข์บุคคมเป็นทุกข์ ไ่ครับเป็นใครเป็ทุกข์พมไม่เที่ยงเก็ไม่เป็นทุกข์เก็บไม่เป็นทุกข์ตายไม่เป็นทุกข์ไม่ได้ตายพว้มตายเป็นทุกข์พร้อมทุกข์มันเห็นอย่างนี้จึงจะบวอรวิปปัชนาเป็นทางรู้แจ้งสู่พระนิพพานเย็นไม่มีอายไม่มีพิษ ในกายในใจนี่ก็หมดพิษหมดภัยแค่กว่านั้นเอาเรื่องกายเรื่องใจมาเป็นทุกข์เป็นทุกข์ให้ความทุกข์เกิดขึ้นที่กจยที่ใจบยเบียนตัวเองเอากายเอาใจเบียเบียนคนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นให้เอือดร้อนมาตื่น ตั้งแต่นี้ต่อไปขงอทุกที่เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วฉุกพุทธเกิดจากความคิดจะไม่มีอีกจะไม่เอากายเอาใจมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์จะไม่เอากาย เ, เ, เ, เอาใจไปทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เจ็บขอดเอาไปทำบเอามาเป็นประโยชน์อวมิตนปัญญา ปัญญาเกิดจากกายจากใจนี้หรือว่าความโลภรู้ในกองสังขารคือกายสังขารจิตสังขารที่ว่าปัญญาเราจึงต้องพากาันฝึกหัดอย่าประมาทดูตัวเองตลอดไม่ใช่ ม, มานั่งส้างจังหวะจงเป็นเวลาปฏิบัติทำนีง ลูกหลงเยอะแยะนอกจากมาผิดตอนเมื่อมาปฏิบัติตาเห็นโลกก็หลงได้หูที่ยินเสียงก็หลงได้ถ้าเราหัดเป็นแล้วก็ใช่ได้เล ย, เลยครบวงจรอยู่ที่ไหนก็อยู่นั่นอยู่ที่ไหนใจอยู่นั่นรู้ถ้าหัดเป็นแล้วก็ไม่ได้หัดว่ามันเป็น สอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองสอนสอนให้ลูกค <c oughs> นอื่นสอนให้แล้วก็ผ่านการสอนมาจนจบปริญญาจบดกนอกเตอร์นคนอื่นสอนให้ลูกลูกท่งนั้นอดไม่ถูกต้องก็ยังอดทุกไปถูกต้องก็ยังทุก ความรู้แบบนั้นเัน็นความรู้ที่ช่วยจิตไม่ได้แต่ความรู้แจ้งวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการช่วยจิตช่วยกายโดยตรงเราต้องสอนตัวเองตอบได้เองําเป็นว่าใช่รู้ทําให้เป็นวันหลงรู้เป็นไหมเรามายมผิดทําให้เกิดความรู้เป็นไหมถ้าทำ เป็นแล้วมันจะไม่ไม่มีโอกาสผิดไม่มีโอกาสหลงเป็นเบื้องต้นเลยล่ะเดี๋ยวเบือกากอบนอกเลยเนี่ยเพราะเพราะโกรธรอโลภรอหลงจิตใจหมดจดจากเครื่องสมองในโลกโกรธหลงเป็นต้นเนีย่ยเป็นการปลอกเข้าไปแล้ว มันก็เกิดความประจุเป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ทำบาปทำความผกกายพอใจเลยการปฏิาัตต้องผ่านปฏิบัติอย่าเป็นข้างเป็นข้าวนักปฏิบัติไม่ใช่นักกิ จ, จ ก, กรรมเจดวันห้าวัน ว่าชิดกรรมแบบนั้นนักอนุลักษ์ว่าเช่เดินธรรมยตาจิตกรรมทับจิตกรรมน่เลิกทำจิตกรรมแล้วก็หยุดไม่ดูแลสิ่งที่เรารักษารมชาติถึสิ่งรรารอบมาดูแลบางทีนักอนุรักษ์ ป่อยต้นไม้ตายต่อหน้าต่อตาเดินผ่านทุกวันเรามาใช่นักอนุรักษ์เป็นนักกิจกรรมนักอนุรักษ์เก่งๆไม่ได้ปล่อยทิ้งอะไรที่ไม่ถูกต้องทำให้ถูกต้องอะไรที่มันพลิกตัให้ไปถูกขึ้นมา มันผิดมันถูกเกิดพฤติการใจนี่ไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุทีึ่งที่สองปฏิบัติลงไปมันง่ายกว่าอย่างอื่นแต่เงินผิดก็ยังมีเครื่องมือต้นต้นไม้มันเหี่ยวมันแห้งก็ <c oughs> ต้องห่อสายอยอกห่อหน้ามาลดบองทีไม่รับผิดชอบสายอยอต่อไว้สําหรับลดหน้าต้นไม้ ถอดทิ้งไปไม่เอามาคืนให้ไม่ก็ไม่สะดวกบางทีเราก็เตรียมพ่อมาไว้ต้นก้าต้นเล็กอยู่ที่ใดเรามักจะมีก๊กน้ำมีสายยางบางทีนักรอลักใช้สายยางก็ไม่ถูกต้องเวลาใช้แล้วม้วนทิ้งไม่รับผิดชอบโดยเฉาะดูหนาวอย่ตอนคืนมามันหนาว บันที่จะใช้สายยางดึงออกมาไม่มีสติไม่เป็นนักอุักษ์ดึงกับพืชตอผือหักแตกง่ายสายยางเนี่ยถ้าเป็นัอุลตร์ของไม่มวดเขใจถึงเป็นยาวๆไว้ไม่มันภาพเวล็นยี่สิบปีใช่เป็นแต่ใช่เป็นก็ไม่นานปีสองปีก็แตกหกักไม่ว่าอะไรของอะไรถ้าใช่เป็นมังกุดทนทาน จะใช่ไหมเป็นก็ทดไม่ทน ไ, ไม่ทานบอกบังกิพายได้ใจเราเนี่ยผิดเป็นผิดหรือใช่ไม่เป็นทุกเป็นทุกหรือใช่ก็ใช่ใจไม่เป็นมีความลู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดในกลุ่มทุกเกิดขึ้นใจ็เหมือนข้อคืนบางท่านมีปริญญา หลายบายเรียนนักธรรมจบธรรมชั้นตีนักธรรมชั้นโทแลกธรรมชั้นเอกเอาไว้ประกาศนะห้อยฝาไว้เวลามันทุกข์ให้เป็นทุกข์เนี่ยเมลูกไม่ได้ประโยชน์ก็ปฏิบตัติเปลี่ยนมันที่ทุกข์ไปทุกข์ได้แล้วมันหลงไม่หลงได้ที่ว่าปฏิบัติตาม ก็เป็นเก็ใช่ได้เป็นครบวงจรคบวงจรในการใช้จข่ า, ขาวเช้ใจหนึง่งจิตวิญญาณจะไม่พยน์ไม่มีพิษเย็นแล้วไม่มีพิษผลฐานไปที่ดับแล้วมอดแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อตัวเองและคนอื่น อาชีพก็ไม่เกีจคร้านประกอบการงานเวลาวาดผักของเดือนก็อุดฐานสมัธาความหมั่นขยันเกิดขึ้นได้รักสมัธารู้จักรักษาชอบที่หามาได้ไหวโดยชอบสมชีวิตต่อเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ ไม่จนินเลาะไม้สุบอุรีไม่เที่ยวเตดเลยล่อนตัวเพื่อพุ้มพวยแล้วเบียบ ว, วินหนอยก็จะดีในครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่เป็นสังฆสามัคคีกันช่วยกันผู้ดไดหลงเพื่อให้ไม่หลงใครโกรธเพื่อให้ไม่โกรธ คอยทุกข์เพื่อให้ไม่ทุกข์ในว่าสังคระเกิดขึ้นในครอบครัวแต่นี่เราไม่ค่อยได้ทุกจากเรื่องนี้เวลาคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งโกรธตอนคนหนด่าก็โกรธตอนที่คนด่าถ้าคนด่ า, ดาเราจะแปลว่าเขาหลงแล้วแล้วเราฟังด่าของเขาเราิดก็บอบใจเขาไม่ใช่ไปโกรธเขา ตอนที่เป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้อง ก, กันก็โกรธกันได้เพราะมันด่าคำด่าของเขาเป็นกระจกเงาที่ทําให้เรามองตัวเองเขาเสินสองเขาเป็นกระจกเงาที่เราเขาเรามองตนเองจะได้แก้ไขตนเองเหมือนสองกระจกดูไปข้างหน้าจะเป็นเห็นหน้าตัวเองมันกลับมาจะทอนมาเพราะฉะนั้นเป็นสังขา ครอบครัวเป็นสังฆาสมัครีกันสังคมเป็นสังฆาเพราะเป็นกรรมฐานพ่อกรรมฐานแม่กรรมฐานลูกกรรมฐานครูกรรมฐานตำรวจทหารกรรมฐานแม่ครัวกรรมฐานเจ็ดการเกษตรปลูกข้าวปลกปักคนจินเป็นกรรมฐานเดี๋ยวนี้ไม่มีกรรมฐานนี่ติสารพิษ เป็นนักกรรมฐานกับรถกรรมฐานทีนี้ก็มีกรรมฐานของทุนกรรมฐานเพื่อกรรมฐานมีจิตกรรมอะไรก็เพื่อกรรมฐานทำไหวให้เกิดความสะดวกเพื่อกรรมฐานทำทานเดินจงกรมล่อเจ็พสิบเพื่อกรรมฐานปกติล่อกวดหลังเพื่อกรรมฐานหาหน้าหาไฟไหวเพื่อกรรมฐาน เสด็จเงินที่ดอกที่นอนเพื่อกรรมฐานที่ขบที่ฉันเพื่อเป็นกรรมฐานจิตวัดวิธีวัดประจำวันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นจึงเมื่อใดมีคนมาใช้ในกรรมฐานที่เราเตรียมไว้เรารู้สึกพอใจเห็นคนมาปฏิบัติเหมือนกับว่าเออได้ที่เพึ่งไดที่เพิ่งแล้ว าเขอได้มาลู้จักตัวเองเราก็พึ่งพขาได้กเขอมารู้ตัวเองเก็พึ่งไปได้แี่แต่ตัวเขาเองก็พึ่งตัวเขาเองไม่ได้มีใจก็มาบ้านใจตัวเองให้รูจใจเป็นอย่างไรไม่เชื่อใจตัวเองมันจะให้คนอื่นพึ่งได้อย่างไรเราจึงมาฝึก ก, การให้เป็นอันเดียวกัน เฉยเขเฉยเราอันเดียวกันเวลาเขาหลงเราเคยหลงเวลาเขาโกรธเราเคยโกรธเราไม่โกรธทิ่งที่โกรธจีบเรสิ่งที่เราโกรธอยู่นั่นคนหนึ่งเขาไม่โกรธแล้วจีบที่เราหลงอยู่นั่นคนหนึ่งเขาไม่หลงแล้วจีบเราเป็นทุกคนหนึ่งเขาไม่ทุกแล้วมันลาสมัยแล้วเพราะเป็นกรรมฐานกันแล้วอ๋ก็หมดเฉียงเนาะ ต้องวอนใชเลานะกับพระพกกัน